เสิบี่พีชนิยามยังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากข้ามชาติพีชนิยามยังไม่มีอวิชชาเพราะมันยังไม่ใช่จิตนิยามพลังงานของมันยังไม่มีเวทนาพีชนิยามมีแค่สัญญากับสังขารเท่านั้นจึงยังไม่สามารถมีรสเทศ เพราะมันรู้สึกอย่างนั้นยังไม่เป็นผู้ที่มีอัาธะซึ่งเป็นรถเทศหรือรถเกศที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของจริงนั้นก็เพราะมีวิปลาสสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิศิวิปลาสจะมีอันใดอันหนึ่งวิปลาส จะวิปลาสสองอย่างหรือวิปลาสทั้งสามอย่างก็ตามทำให้เกิดอัดสาทะได้ทั้งนั้นสำหรับพีชนิยามนั้นยังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากซึ่งเป็นความยึดถือที่ติดไปกับความจำความกำหนดรู้สัญญาแล้วนำไปปรุงแต่งตัวเองสังขาร ตามความยึดมั่นจนถึงขั้นข้ามพบข้ามชาติเพราะในตอนที่เป็นพีชานนยามนั้นมันก็มีรูปกับพลังงานของมันปรุงแต่งกันอยู่เมื่อมันแหลกสลายไม่เหลือรูปธรรมอันมีองค์คาพยพที่ไม่เกาะกลุ่มกันแล้ว พลังงานอุตุของมันก็หมดสิ้นไปกับความแตกสลายของรูปธรรมเพราะพลังงานของอุตุนิยามอันเป็นตัวตนตามสภาพของมันเซลล์อย่างไม่มีอุปาทานพลังงานที่ยึดของมันยังไม่มั่นไม่แน่นเหมือนพลังงานจินนิยาม พลังงานอุตุนิยามจึงไม่มีข้ามพบข้ามชาติใดๆเลยหมดพบจบอยู่ในชาติเดียวผีชนนิยามจึงไม่มีบาปไม่มีเวรข้ามพบข้ามชาติกรรมที่สั่งสมลงเป็นวิบากข้ามพบข้ามชาติยังไม่มีเพราะการยึดเอาอาธานของผีชนนิยามมันยึดถือแค่ชาติเดียว พบเดียวเท่านั้น